โอก่ส <Okay, S 2> <Okay. S 1> เข้าหลวงตาจริงแล้วฝังหลวงตาเนี่ยเข้าใจแต่ที่ที่ยกตัวอย่างเรื่องของอวิญญาณขันอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะให้เห็นระดับของคนที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่เนี่ยมันจาเป็นต้องอาศัยขันแทาแต่เมื่อบทภาณายหน้าที่แล้วเนี่ยมันจะต้องเข้าไปถึงวิญญาณธาต แต่ในส่วนในส่วนที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยอันนี้เพื่อเพื่อความเข้าใจนะครับซึ่งซึ่งผมเคยได้ได้ฟังหลวงตาที่วัดหัวตลบว่ า, าวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่สี่สี่ตัวตัวรู้เนี่ยมีสตั ว, ต, วตัวแรกวิญญาณที่เกิดจากผัสสะที่เกิดจากอายตนะภายในคือหูตาจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าถ้ารับรู้แค่นี้มันยังทำอะไรไม่ได้นะครับ แล้วแล้วที่บอกว่าถ้ารู้รู้แล้่เฉยรู้แล้ว อ, อซื่ออะไรตรงเนี้ยมันไม่ใช่เลยมันจะเป็นเออไปเลยเพราะว่ารู้แค่นี้มันยังทําอะไรไม่ได้ต่อเพื่อมันมีสัญญาความจํามีขันท่าเข้ามาทํางานร่วมกับวิญญาณเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดตัวที่สองตัวที่สองคือวิญญาณตัวที่สองก็คือวิญญาณขันตัวที่สองเนี่ยมันจะนึกคิดปรุงแต่งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อันเนียเอาไปใช้ในหน้าที่การงาน นะครับสุดท้ายมันก็จะมามีตัวที่สก็คื อ, อวิญญาณขันตัวที่สมนี้อันนี้จะเป็นสติปัญญาที่รู้เห็นการนึกคิดปรุงแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรู้ว่าเรากำลังคิดเรากำลังสังขารสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเหตเป็นปัจจัยอยู่พอเห็นตรงนี้๊บมันก็มันก็จะวางวางแล้วไปสู่ ปัญญาตัวสุดท้ายคือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุตัวนั้นจะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีผู้รู้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีเราเขาไม่มีตัวตนยึดมั่นอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้อันนี้พยายามที่จะแยกยะให้ดูว่าในระดับการทำงานเนี่ยมันจะต้องใช้ใช้สมองสมองคิดเกี่ยวกับงานวิจารณาวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆนั่นนั่นเป็นเรื่องของวิญญาณขัน แต่ตัวสุดท้ายเป็นวิญญาณธาตุนะครับอันนี้เข้าจใจถูกต้องไหมโอเคนะครับนะเราชีวิตอยู่ประจําวันอยู่ได้รู้นั่นแหละซึ่งเป็นวิญญาณธาตุที่พ่อแม่ครูอาจารย์อยู่กับรู้แต่การชีวิตประจํวาวันเวลาจะทํางานกันเราก็อยู่กับปรุงอยู่กับปรุงแต่ปรุงเนี่ยก็ปรุงโดยรู้สุดท้ายก็คืออยู่กับรู้ตลอดคือปุงก็ปรุงในความรู้ตัวเล็กก็อยู่กับรู้อยู่ดีือว่าไงทำไมให้ อ้าวอ้าข้างหลังว่าไงพอดีมีคุว่าออทมาอยู่นี่ช่วยจะได้ช่วยอธิบายช่วยหลวงตาหลวงตาคนเดียวก็ฟังมามาเยอะแล้วอาจจะได้ก็ t ไอเดียอะไรบ้างอ้าวเนี่ยผู้สมไปอยู่กับพ่อสองตำบันยังแจ้งเลยเอ้าเอ้าเบ่อหลือว่าไงนี่ติดเกิุฏิคว่าออทเอาใจรายงานคุณว่าออทสิอ้ออ้อเห็นอะไรเราเห็นอะไร แล้วเออเอออ่านอ่านเออฮะแล้วอ่านบอกว่าเห็นอยู่ว่าอะไรออ๋เออเอะไรเพรใจเห็นอควาย่ือออออเอาเบางไงเอาเอาไมให้กรอสอ่าม้ไม้ให้ว้านอเนี่ยลูกติกุมติอ่ะก็ที่ที่พูดมามันมันก็ถูกกันนะแต่ว่าถ้าเราเห็นด้วยใจจริงๆอย่างที่พูดอ่ะก็ก็โอเคนะเออ แต่คิดว่าถ้าพูดแบบนี้ม like ันก็น่าจะเห็นด well hey, uh, ้วยใจแล้วมั้งต้องให้ดวงตาดูของต้องดวงตาดูเป็นไงมึงล่ะถูกไหมล่ะวัดพูดถูกไหมเอาไม้อะไม้อยู่ไหนตัวเออวัดถูกพูดถูกไหมล่ะถูกค่ะเราจะดูในถูกไหมถูกค่ะให้เห็นด้วยใจจริงๆแล้วก็ถูกก็อยู่อย่างนี้แหละรู้ด้วยใจนะรู้ด้วยใจตลอดตกลงพวกเราคง ชัดเลยนะว่าไอ้รู้ด้วยใจกับมีตัวเราเข้าไปคิดเนี่ยมันต่างกันเออเอาอย่างไงเนี่ยมอง อ, ออกใช่ไหมถ้ามองออกเนี่ยเราจะไม่หลงแล้วเราจะเอาตัวเราไปคิดก็โอเคเวลาทํางานอะไรก็เต็มที่อ่าแต่เวลาเราเหมือนบ้านที่อาจารย์หลวงตาบอกว่ามันบ้านสองหลังอะ่ะอาอีกหลังหนึ่งก็รู้ด้วยใจอย่างเดียวอยู่กับรู้ถ้าเราทําเป็นอย่างนี้นี่แหละคือผลทางที่เราจะอยู่แบบขณะที่เรายังมีขันห้าอยู่เนี่ยยังยังเขาเรียกยังไม่สิ้นลมหายใจ อยู่เพื่อออกจากทุกข์ก็อยู่ด้วยใจอย่างเดียวเมื่อกี้ก็นึกถึงคนที่ที่มีความทุกข์เนี่ยทําไมอ่ะที่เขามีความทุกข์เนี่ยนอนไม่หลับอยู่ก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์เนี่ยเขาเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปคิดเขาไม่เห็นตัวเราว่ากําลังคิดอย่างเนี้ยทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าโยกับรู้เนี่ยไม่มีตัวเราเข้าไปคิดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยความคิดทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จริงๆแล้วลองไปฝึกดูถ้าถ้าใช้งานเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออใช้งานเป็นแล้ว แล้วก็ไปใช้ตลอดเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเอาตัวเราเข้าไปคิดเนี่ยนอนโอ้ยเ ป, นน ού, เป็นนู่นเป็นนี่อย่างงู้นอย่างนี้นี่เอาตัวเราไปคิดหมดเลยแต่ถ้าเราเห็นความคิดเนี่ยเออเห็นความคิดมันผ่านไปผ่านพับผับผทําทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีทุกข์นะลองไปดูนะอันนี้อตต า, าตมาเนี่ยเห็นอย่างเนี้ยถึงได้พูดอย่างเนี้ยก็ <im it. S 2> เห็นว่าความสิ้นทุกข์ความไม่มีทุกข์เนี่ยต้องใช้อย่างเนี้ยคืออยู่กับรู้ แล้วเห็นเลยว่าโอ้จบจริงๆจบได้จริงๆจบสิ้น